ฟังทากันเนาะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอย่าพากันนั่งง่วงงอหอนอน่เหมือนถึงจิตถึงใจหูได้ยินใจรลับรล้วิดถูกอย่างไร มีตัวเราเป็นเกณฑ์ชี้วัดมีจิตติความถูกความผิดมันเกิดจากตัวเรานี่ชีวิตของเราเป็นที่ตัง้งตามทรรมณฑิตไหนจึงได้มีผู้บอกกลวศน อันเป็นไปเพื่อความมากๆเป็นไปเพื่อการสะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความทุกข์อ น, นั่นอย่าไปเอาใจปไปย่อมให้ฉลาดฟังได้พูดถูกก็ฟังได้พูดผิดก็ฟังได้พูดถูกก็ได้ปัญญาพูดผิดก็ได้ปัญญา แต่ฟังเป็นให้มีคนพูดคนบอกคนสอนมากเท่าไหร่เราก็คือเราปฏิภาณที่มีเกณฑ์ชี้วัดในความถูกต้องความถูกต้องความไม่ถูกต้องเราเคยสมผัต ความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องความสะสมความทุกข์ไม่ถูกต้องความปล่อยความวางเป็นความถูกต้องเราก็มีหลักมีที่ตั้งมีฐานเป็นที่ตั้งได้ฝึกหัดได้สมผัด กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรามีสติตั้งแต่เริ่มต้นก็สุดยอดแล้วเห็นความรู้ที่สุดยอดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นไ้ได้มีสติเห็นกายคือเป็นประจอมอะไรเกิดขึ้นกับกาย ก็อย่าไปเป็นตัวเป็นตนต่อไปอีกให้ศักแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายสักแต่ว่าสุดยอดแล้วเยอะแยะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายมากมายหลายอย่างอย่าเข้าไปเป็นกับบันเป็นสุขเป็นทุกเป็นพอใจไม่พอใจ อันนั่นไม่ไม่ผ่านอยากจะต้องอยู่เช่นนั่นกายจากว่ากายสุดยอดแล้วทุกทุกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเวทนาก็จากว่าเวทนานั่นก็สุดยอดแล้วสุดยอดของความรู้ ตั้งแต่เบื้องต้นอ่านออกสัมผัสได้ด้วยจิต ด, ด้วยใจด้วยการกระทําไปในตัวถึงใจทํในใจไปแล้วสัจตว่าเวทนาจิตที่เหมือนคิดก็มีเหมือนกัน กำลังเคลื่อนไหวมีสติเห็นกายเอาไปเห็นจิตที่มันคิดมันก็คิดขึ้นมาความคิดก็เกิดขึ้นไหลจากความคิดหลายๆอย่างว่าให้เป็นสุขเป็นทุกข์าให้พอใจม่พอใจซ่อนอยู่ในจิตก็สักแต่ว่าคิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเห่าเขานั่นสุดยอดแล้ว เกิดยอดแล้วไปอีกไม่ได้ต้ ถ, ถึงตรงนี้เกิดขึ้นว่าอะไรก็สักวาิเกิดที่มันคิดความคิดเป็นทวารของกิดอย่าให้มันพาไปเป็นสุขเป็นทุกข์ <c oughs> เกิดชีลิตต้องหาเกิดอะไรบ้าวายโกรธโลภหลงต่อไปอีกอ สายไปอาศักตัวจิตซะแล้วสุดอยอดเราจบแล้วทรรมมีเหมือนกันพร้อมเสืม่มพร้อมเจริญพวงใหม่เที่ยงเราเป็นทุกข์พร้อมมาช่วยตัวตนเกิดขึ้นที่รูปที่กายนี่ที่ใจนี่พร้อมหลงมลาก็ไม่เที่ยง ความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงความโกรธแล้วก็ไม่เที่ยงสัาธรรมอันวิเหตุไม่ปัจจัยมาเกิดขึ้นมาปล่อใจปลเสียใจเป็นธรรมทั้งนั้น่ดีใจแล้วกเป็นกุศลซะป่เสียใจแล้วกอกุศลซะฝ่ยบวกฝ่ายลบอย่าไปหลงสัจธรรม สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วแปลงว่าถูกต้องแล้วผ่านได้สิ่งที่สี่ดอนนี่ผ่านได้มันเป็นทางไปอยู่เห็นเรื่องเก่าแล้วเห็นเรื่องเก่าอีกก็ยอบฉลาดฉันิชำ น, นาญ <c oughs> ตอบทุกครัง้งเกิดขึ้นมาไล้ก็ คำเดียวตอบอันเดียวเป็นหลักเป็นเกนอยู่แล้วเวลาเราปฏิบัติอย่าไปคิดหนาะอย่าไปยุ่งยากเอาความคิดมันเป็นเรื่องยุ่งยากเรื่องต่อสู้เอาความจุขความทุกข์มาเป็นเรื่องต่อสู้แล้วก็มีมันเปิดมันเพื่อนมา ถ้าสุกเปนสุกก็สุกอยู่เรื่อยไปทุกเป็นทุก็กทุกเรื่อยไปถ้าจักแต่ ว, ว่าสานนั่นคือธรรมมันคือเวทนาก็จบลงไปทำมันใหญ่วันใหญ่กว่าสุกกว่าทุกจักแต่ ว, ว่านี่ใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดเลยสูงสุดยอดนี่คือหลักปฏิบัติทุกคนสัมผัสได้ ทำได้ทำได้ถ้าทำถ้าไม่ทำก็ทำไม่ได้ล้วกรรมฐ า, านมันทำให้เราได้ทำลู่เฉินเข้าเหยียดเฉินดอกกับลู้จักตัวเนี่ยทรรลู้จักตัวมันก็เป็นที่ตั้งเป็นที่การกระทำเป็นจริงศักดิ์ศร์ ช่วให้ตอบออกมาได้สักแต่ว่าคำว่าสักแต่ว่าก็คือสตินั่นแหละมาใช่คําพูดแต่ปากมาใช่ความคิดมันเป็นมันเป็นพลังของสติมันเป็นตัวเฉลยสติเป็นตัวเฉลยสักแต่ว่าสุดยอดเกิดไหลขึ้นอีกหลายอย่าง เป็นการละความชั่วเป็นการทําความดีแตกแต่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แตกแต่ว่าเฉยๆมันเป็นผลขึ้นมาทันทีเราทำไรต้องมีผลขึ้นมาทันทีเราทํานาดํานาปลักข้าวปลักข้าวต้นหนึ่งก็ได้ต้นหนึ่งปลักสองต้นก็ได้สองต้น โยกเข้าตัดต้นหนึ่งก็ได้เสดไปต้นหนึ่งการทำกรรมฐานก็เป็นเช่นนั้นอย่าคิดว่าเราไว้รู้อะไรไม่ได้อะไรมันรู้ได้ความรู้นี่มันหลงกับรู้นี่มันทุกข์กับรู้นี่มันสุข ก, ก็รู้นี่ เกิดอะไรขึ้นที่การที่ใจก้อนรูนี่ได้ความรู้ไปกากับเรื่องที่เกิดขึ้นกับปากกับใจไมาใช่เป็นไปตามอาการต่างๆมากมายเวลาเราปฏิบัติแล้วก็เป็นช่องเป็นทางไปเป็นหมวดเป็นหมู มันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นทางไปผ่านอะไรเป็นทางไปไปทางเดียวกับพระุทธเจ้าไปเช่นเดียวกันเผนเป็นรูเปเผนเป็นนามหลังที่พูดวันก่อนนั้นรูปนามก็บอกอีได้รารยละเอียดจากรูปอย่างนามมันมีจริงๆรูปนี้นามนี้มีจริงจรง ลูกสัมผัสได้ชิบหายพล่ร้อนพรหนาวเพราะดินฟ้าอากาศการเวลาส่วนน้ำสัมผัสมาได้แต่มันก็มีอำนาจพอให้เป็นทุกข์เป็นโทษได้ความโกรความหลงควา ม, วามทุกข์เกิดตัณหาเป็นน้ำที่เกิดจากลู ก, ม, ลก ม, มีลูกมีนำ้ำลูกมันทำน้ำมันทำ ถ้าเราไม่มีสติมันเลอะเทอะมันป่าเถื่อนมากลูกนี่นามนี่เป็นช่วงคิดจะคิดอะไรก็ได้โกรก็ได้รักก็ได้เกลียดก็ได้สุ ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้กกไ ด, ดีใจเฉยจได้หมดไม่เคยไม่เคยได้ดูได้เลยปล่อยทิ้งไปเกล ก, ก็สมส่วน รูปนี่ก็ทำอะไรก็ได้เขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปรูปนี่เขสั่งให้พูดก็พูดเขาสั่งให้คิดก็คิดเขาสั่งให้ทํำก็ทํทาธาตุของนามมันรูปของความคิดคือนามที่มันสั่งคือความคิดมันเป็นความรูป ไดุกอะไรต่างๆได้ปัญญาได้เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงอยอะแยะที่เหมือนบอกคิดบอกถูกม่เคยดูแลม่เคยช่วยไม่เคยทำให้มันดีใน คาวเดียวกันไม่เคยทําเลยปล่อยทิ้งความหลงก็ปล่อยทิ้งความถูกก็ปล่อยทิ้งความสุขปล่อยทิ้งความรักความตังปล่อยทิ้งเป็ในรูปในนามนี้เมื่อไม่มีสติก็เป็นอย่างนั้นายเป็นจะลินิสัยต่างๆเง น, นรูปทำนม้มทำทำอะไรเยอะแยะทำทางกายทำทางใจทำทางวาจา สัำชั่วแล้วก็เป็นทุกข์รูปทุกข์นามทุกข์ุ่ยยะทุกข์เนี่ยทุกข์ตามธรรมชาติสภาวะทุกข์อาคารทุกข์ทุกข์นิจฉลทุกข์อนี้ทุกข์เรื่องนี้มาใช่เรื่องทุกข์ตีจะต้องเป็นทุกข์เหมือนกันหมดบางอย่างทุกข์ กำหนดรู้ในการรู้อย่างทีพูดในวันก่อนทุกวังอย่างต้องหมันเทาทุกวางอย่างต้องละเป็นระเบียบไม่ออกมาเป็นทุกมาเป็นทุกได้เป็นปัญญาได้ปัญญาได้เห็นความเป็นจริงของทุกที่เป็นสิ่งที่กําหนดรู้ ทุกข์ที่ต้องละก็ได้ปัญญาทุกข์ที่ต้องบรรเทาก็ได้ปัญญาไม่ใช่ม า, มาโหมมาใส่เราเป็นก้อนอันเดียวกันปวดอะไรก็ทุกข์อะไก็ทุกข์เป็นปวดปัญช่ายอย่างนั้นบางทีความอยากก็เป็นทุกข์อยากมั่งอยากมีก็เป็นทุกข์เป็นปัญช่ายอย่างนั้นอยากมั่งอยากมีก็ขยันขันแขยง เ, เก็บหอมหลอมริบ สร้างสรรค์รับผิดชอบที่การงานล้วลูกลักเมียก็ต้องขยันขันแข็งอดทนมีความเพียรและชีวิตก็ต้องทำดีความทุกข์แต่แ ท, ท้ทำให้เราได้ปัญญาจะได้รู้จักแก้ไขใจยู้จากป้องกัน สภาวะทุกมันบอกมันไหลไปทุกวันทุกเดือนทุกปีรูปนี้มันช่อยู่นิ่งมันไม่เที่ยงมันไหลเป็นสันตติเกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้เห็นความทุกข์หนึ่ง เปิดออกมามันวางอย่างมันกระโดดหนียังไม่ทำอะไรมันเลยเพ่นแต่ก่อนจุบูรีก็โดดไปเลยบุรีงเห็นทุกตัวเนี่ยเห็นมาแต่ไปอดไปทนหลุดไปเลยเห็นสมมุติที่มันเกิด อ, อยู่ในโลกนี่เต็มไปหมด เห็นอะไก็สุดยอดทั้งนั้นเห็นทุกไม่เป็นทุกพ้นจากทุกที่สุดยอดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธที่สุดยอดแล้วเห็นไหลก็สุดยอดทุกเรื่องสุดไปหมดเลยไม่ปล่อยทิ้งเห็นจบหมดเหมือนหยัดไอ้ไปเลยโลกน่นวัตถุ ที่เป็นสมมุติสมมุติที่เป็นนามก็มีบัญญัติเอาโอโลกความสมมุติบัญญัติขนหนลงหลงมสมมุติบัญญัติต่างกันเนี่ยแต่ใครจะบัญญัติเอา ล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสมมุติบัญญัติตายเป็นอุปท า, านทำให้เจ็บแค่เดีป่วยเชื่อผูกขาดกับสิ่งที่ไม่ดีตัดสินใจตามสิ่งไม่ถูกต้องเชื่อแบบทิมตัวลงไปไม่ถึงสุดยอดเช่นสุขเป็นสุขก็จะต้องสุขเรื่อยไปมีทุกข์เป็นคู่ไม่จบไม่สิน้น เห็นสมมุติเหมือนหยดเอาที่ว่ายคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่จบเรื่องสมมุตินี่มากมายเป็นวัตถุก็มีเป็นนามธรรมก็มีสมมุตินี้วัตถุอาการเป็นวัตถุก็มีเป็นนามธรรมก็มี อาการต่างๆกลามาเป็นสมมุติได้ในความคิดก็เป็นสมญญนสมุติปัญญัติตาก็เป็นสมมุติบัญญัติเห็นโูกก็สมมุติว่าชอบไม่ชอบหูที่ยินเสียงก็สมมุติบัญญัติว่าพอใจไม่พอใจอะไรต่างๆวัตถุอาการต่างๆส่งว้าอากาศวัตถุอาการต่างๆน ก่อนเมกมีดวงอาทิตย์มีฝนมีความแรงความร้อนมีน้าท่วมน้มแลกเป็นวัตถุอาการของโลกโอกาสโลกหรือว่าวัตถุอาการหนาต่างมากงายเราก็เชี่ยวข้องกับทุกเรื่องด้วยถ้าเราไม่รู้ ก็งูไปกับโลกแห่งความสมมุติพลุงพลังไปเลยยึดบันถือมันภายโนอกภายนายเห็นสมมุติปัญญาเลยเถิดเ ถ, อ ถ, อถอิดตืดไปเลยโลกเนี่ยหลุดไปเลยเบาเลยเดินเกือบไม่เป็นนะเรเห็นสมมุติปัญญาเลยเดินเกือบไม่เป็นเลย เดินไม่เหมือนกับเหยียบพื้นเลยนะเมันเบาเปิดกายและหูตาเบากายจิตตะหูตาเบาจิตมันมีความหนักความเบาจริงๆในการ ใ, ใจนจะยึดนกั น, นปล่อยวางก็เบามันเห็นความเป็นจริงของโลกของชีวิต แล้วก็มาโชว์อยู่ที่ขันหน้าขันหน้าเนีโชว์ด่านโชด์ท้ายแล้วเนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหนียวแน่นอราเดินพังมาหมดแล้วแต่มาเห็นขันหน้ายึดมัน่นถือมั่นในขันหน้าอะไรก็ สุกเป็นสุกทุกเป็นทุกในขันธห้าเราเห็นจริงๆมันก็เหมือนกับคนห้าคนเลูกเลิกงานพร้อมกันหันหลังให้กันลูกหรือลูกเวทนาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกองมากองตะกอน หันหน้าทำงานเข้ากันพอเห็นความเป็นจริงของลูกของนามหันหลังให้กันกลับสู่ความเป็นปกติเป็นปกติคืนเป็นสรรมชาติตามความเป็นจริงไม่ร่วมทำงานสุขไม่เป็นสุขลูกก็คือลูกเวทนาก็คือเวทนามาใช่ตัวใช้ตน อุปทานะเราเลี้งเนหมดเลยเปี้ยงเลยไม่มีเลยเหลือเลยชีวิตนะพ่าเห็นขันท่าตามความเป็นจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้ า, ว, าว่าโดยย่ออุปท า, านขันทั้งห้าเป็นตัวทุก์ทรงสั่งสอนสาวกช่นนี้เป็นส่วนมากสาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากจึงสิ้นภพสิ้นชาติ เมเป็นอย่างนี้นก็จบงานะปฏิบัติทมเนี่ยไม่ใช่เราทำงูลปล า, ามันมีหลักวีเกนไม่มีกายมีใจจริงๆตร่งเกิดขึ้นกับกายก็เรื่องเดียวกันจริงๆความร้อนความหนาวความหิวความหนักความเบาความทุกข์แบบเดียวกันหมดมันทำไม่จึงทำไม่ได้ เวลามาหลงเราไม่หลงก็ได้เนี่ยเวลามาทุกข์เราไม่ทุกข์ก็ได้เนี่ยเวลามนโกรธเราไม่โกรธก็ได้เนี่ยมันจี่ช่องจี่ม้ามาหรือความทุกข์เรื่องมัเนี่ยมันเป็นความคิดมันเป็นอุปทานมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีสติมันก็ผลาญเถื่อนเลยเฉยๆความไม่จริงจัง มันก็ทนอยู่ไม่ได้ความจริงก็ต้องความจริงอยู่เสมอความหลงไม่จริงอ่ะความไม่หลงมันจริงความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงเนี่ยเราที่เกิดขึ้นกากับใจเนี่ยมาเถอะมาไม่กลัวอะไรความแจ็ก็มาความเจ็บก็มาความตายก็มามันคือความแจ็ความเจ็บก็คือความเจ็บความตายคือความตาย ปราวดที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ไปเป็นกับอะไรทั้งหมดความรู้จากตัวเนี่ยอา้าวสุดยอดมีลมหายใจมีสติเหลือไว้แต่ลมหายใจกับสติเมื่อใดหมดลมหายใจก็หยุดกันจบกันทีนั่นจึงสุดยอดไม่มีอะไรเหลือ เราตั้นจด่าก่อธรรมชาติสู่ธรรมชาติใช่แต่ลงหายใจกับสติที่มันใช่รับผิดชอบรูปนี่นามนี่เมื่อรับผิดชอบรูปนี่นามนี่จากลมหายใจจากมีสติมันก็มีอะไรเกิดขึ้นในความดีในชีวิตของคนคนหนึ่ง จะไปหาง้ออะไรที่ไหนได้อะไรไม่ได้อะไรมีแต่เห็นจะไปเอาได้เอาไม่ได้แล้วก็วนเวียนไม่จับพัดจับผูไม่ดุยเงื่อนไขจะตรงกลางบ้างจับที่ไม่ถูกที่แล้ก็ไปไม่ได้แล้วก็พ้นไม่ได้มันไ่ได้อะไรไม่จะเห็น เห็นมันทุกเรื่องเห็นแบบพุดทธะรู้ตื่นเบิกบานเห็นแก้งรู้กแก้งเห็นเราไม่เป็นกับริงต่างๆที่เกิดขึ้นมาในรูปในนามนี่ในรูปโลกน้ำโลกลูกสมมุติน้ำสมมุตนินี่วัดตัวอาการนี่อันเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่นี่ชีวิตของเรา ตึกหัดมันพร้อมแล้วมีลูกมีนามมีขันหน้ามีหลงมีอัไต่างๆเกิดขึ้นบนลูกบนนามนี่เป็นหลักสูตรเป็นหลักสูตรเขียนจบอ่านได้เขียนได้เลือได้ กองไหวลื่ได้หยุดได้ว่ามันคือรูปพื้นน้ำมีสตินี่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกตัวเองหยุดไม่เป็นอะไรต่างๆมต้องหยุดเป็นประตูเปิดได้ต้องปิดได้รถวิ่งได้ต้องหยุดได้ เราไม่ฝึกแม้แต่ความคิดก็หยุดไม่ได้ความโกรธก็หยุดไม่ได้ความหลงหยุดไม่ได้ความทุกข์หยุดไม่ได้ถ้าเราฝึกมันหยุดได้จบได้หยุดได้หยุดได้หลงก็หยุดได้มีสติทุกข์ก็หยุดได้คิดก็หยุดได้ที่ที่ไม่ตั้งใจ ตั้งใจคิดแล้วก็เป็นปัญญาไม่ได้ตั้งใจคิดก็เป็นอวิชชาตั้งใจคิดเป็นวิชชาอยู่ในที่เดียวกันใช่ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนดาบสองคมทุกข์ก็มีประโยชน์ทําให้เกิดเป็นพรทติเจ้าทุกข์ทำให้คนตกต่ำโลก ว่อไม่เที่ยงพผายขนตกตะโลกว่อไม่ใช่ตัวตนผายขนตกตะโลกแต่ถ้ามีสติทำไมเกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเวลาก็เป็นอย่างนี้การเวลาก็เป็นอย่างนี้ชีวิตเราก็อยู่ปฏิเสธกับการเวลามาได้กายใจของเราที่รูปเป็นนามนี่ เกี่ยวกับการเวลารูปโลกนามโลกการเวลาคืนกินสัพจิสิงในมุมคดที่ยิ่งอย่างลมหายใจก็ยหางมีสติก็ใหญเอาศัยลมหายใจอาสัยมีสติ กำกับสุดยอดเท่านี้ชีวิตเราไม่มีอะไรเหลือทำามดีเรื่อยไปความชั่วไม่ทำความดีทำไปใจไม่ยึดแ้ามีสติมีล ม, มหายใจมีสติล้วเกิดความดีขึ้นยเยอะแยะจึงขุดตนสอนตนอยอาประมาท รมฐานทุกวินาทีมีความรู้สักตัวสามารถทำได้ตามประเมีกรรมฐานทุกวินาทีหลงหลงทุกวินาทีแล้วก็เป็นอย่างน่านชืิตเรามีเหตุมีปัจจัยมีตามีหูมีจมูกดิ้นกายใจเป็นท้าหวานเป็น ประตูที่ทำให้เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีสติก็เก ถ, ถเเื่อนลูปนี่เถื่อนน้ำนี่เถื่อนสอมจอนเปรอเปื่อนสไม่ไม่ไม่มีเจ้าของป่าเถื่อนเราจึงมีสติยึดขึ้นมาเอา ลุขึ้นมาเต้ขึ้นมาก็ลู่ขึ้นมาลมหายใจมีกับลู่ขึ้นมาแล้วก็ไม่หนักหนาะอะไรมากไม่แต่เบาไปก็หลงมากว่าจะหนักนอนดับ้อนหวนหมกมุ่นคุนคิดสภาพจางพวอบคุอยังใดรูปในานา้มนี่ เอกมาเป็นทุกข์ทั้งหมดออกมาเป็นสุขทั้งหมดออกมาผิดทั้งหมดออกมาถูกทั้งหมดความผิดความถูกเกิดขึ้นที่รูปนี่นามนี่เห็นเหมือนผิดไม่เห็นเหมือนผิดเห็นเหมือนถูกเห็นเหมือนสุขเห็นเหมือนทุกข์เห็นเหมือนสงบเห็นเหมือนผุ่งซ้านให้เป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่เห็นกับเป็นไปก็เป็นใหญ่แบบป่าเถื่อนสุขก็เป็นใหญ่ทุกข์ก็เป็นใหญ่เป็นคู่กันอยู่เปลี่ยนกันอยู่จึงมีสติเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปนี่นามนี่นะนี่ก็เราก็มีจริงๆโอกาส โอกาสนี่เรามีจริงๆหายเจเข้าหายใจออกได้อยู่ยืนเดินนัน่งนอนคู่เหยื่อเกลื่อนไหวได้อยู่พรุ่งนี้ก็ไม่มีมี เ, เดี๋ยวนี้ถ้าเรามีหลงเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็ต้องหลงถ้าเรามีทุกข์เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็มีทุกข์ มันอยู่ที่รูปนี่นามนี่คือขันหน้านี่เดี๋ยวนี้เราไปมองชาติหน้าอดีตชาติหนาคตชาติหน้าไม่มองประจุบหมือนเอาวนก็วนชาติหน้าแล้วสวรรค์ น, นี่ผานก็ชาติหน้าวันเลยไม่พบมิตรลอหัวก็คนหิวน้ํา เดินไปหลังจากไปยืนหนา้าบอหนะ้าบ่ไปถึงแล้นาน้าเข็มกินไม่ได้ไว้อีกวิ่งกระหอบไปอีกไปถึงแล้วน้าร้อนไปถึงแล้วหน้าแห้งไม่มีอดไปหรือเดไปหวังนา้าบนะ่หน้าพวกนี้มีแต่ไม่มีไม่มีใครทําอะไรได้พวกนี้หยุดวันนี้ หยุดเดียเด๋ยวนี้มันหลงลู้เดี๋ยวนี้ทุกข์รู้เดี๋ยวนี้อะไรเกิดขึ้นมาลู้เดี๋ยวนี้ลู้เดี๋ยวนี้ให้ทบทวนนี่ปฏิบัติทำสนุกลูก้สนุกเห็นมันทุกข์ก็ยิ่งเห็นมันเห็นทุกข์นี่ ทุกที่มันเห็นทุกนี่มันก็น้ำตาไหลเหมือนกันนะน้ำตาซึมมันก็น่ะสงสารตัวเองไม่เคยช่วยตัวเองเนี่ยเห็นรูปทุกเป็นนามทุกเนี่ยไเคยสงสารตัวเองเลยไม่เคยช่วยตัวเองเลยสงสารแต่คนอื่นเจงช่วยคนอื่นเจงตัวเองทุกไม่เคยช่วยตัวเองหลงไม่เคยช่วย กระดาษตัวเโกดไม่เคยช่วยแต่บุญนาทานอัจฉริธรรมภัยธาตํธรรมทำไนอกดีแต่ภายในไม่ได้ทําเลยอัจฉริยธรรมคือภายในภัยธาตุธรรมคือภายนอกจัดภายนอกภายในไม่ได้ดูแลตัวเองไอ้พิธามดีก็จังไปทุกข์ เราจึงนะฝึกจิตนี่มันเข้าถึงเข้าถึงเนื้อถึงตัวเลยสมผัสได้นี่จิตอะไรเกิดขึ้นกับรูปนี่นามนี่มีจิตเฝ้า อ, อยู่แล้วเป็นเจ้าถิน่นเจ้าของอยู่แล้วรู้อยู่แล้วอะไรมาก็รู้มีสติตรู้ติก็มีความเป็นใหญ่มีอำนาจ บอกคืนไปไม่ตอนรับไม่มีที่ให้อาใจไม่ให้ค่าเพราะจิตมันใหญ่มันสุดยอดแล้วถ้าสมบัติกับความรู้จักตัวนะถ้ามันว่างอันตรธานอะไรมาก็หิ้วไปอยู่ในภบในภูมิต่างๆมากมายอ <c oughs> เราจึงเอาเวลาหนีเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นหาดายอย่าช่วยกัน <c oughs> เป็นเพื่อนกันเป็นมีตรกันมีอะไรเกิดขึ้นดูดีๆอาจจะไม่ต้องถามกับมาหากรรมฐ า, านอย่าพากิด ถ้าคำตอบจากความคิดรำมาัฐานเป็นเจนซะก่อนรูดฉันเข้าเยียดฉันออกรูดสักตัวนี่อะไรเกิดขึ้นมาก็รูดจักตัวนี่ให้ทำอย่างนี้ทุกทุกวานทุกทุลนาทีอะไรที่เกิดขึ้นมาให้รูดจักตัวรูดสั ก, กตัวนี่มันจะเป็นอย่างไรพริสูจน์ตรงนี้ดูชีวิตเราต้องเป็นความเทพความจริงมีอยู่ทุกคน ตอบเองได้ทุกคนเป็นจริตรธรรมถามคนอื่นไม่เป็นจริตรธรรมอเราตอบเองเห็นเองนี่เป็นจริตรธรรมความหลงไม่เป็นธรรมควมไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมทํางผิดได้ให้ความเป็นธรรมจอตัวเอง เวลาเราปฏิบัติเดี๋ยวรับความเป็ธรรมเกิดขึ้นมากเลยก็สมควรใช้เวลาวันนี้นะกับพระพร้อมกัน